มันก็คือทั้งหมดนี่แหละแต่ที่นี่ในภาคสมมติเราต้องมาแยกออกว่าคําว่าคนหรือมนุษย์คําเดียวเนี่เป็นเป็นปรามัด น, นะแต่พอมาแยกเป็นส่วนว่าคําว่ามนุษย์หรือคนนะ่ยมันประกอบมันจะเป็นคนขึ้นมาอย่างนี้ยมันประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างจะเป็นภาคสมมุติแยกให้เห็นเป็นส่วนเป็นส่วนว่าประกอบด้วยธาตุสด้วยขันห้าอายตนะสิบสอง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 มาเขียนเป็นพระธรรมหรือพระสูตรใช่สองพพระธรรมคันแล้วมาเขียนเป็นประมัดหรืออภิธรรมใช่พพระธรรมคันรวมแล้วเป็น8พพระธรรมคันนะในธรรมะ 8, 000, 4, 000พันระธรรมันนีถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสมมตินะแต่โดยปรมัด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 คุธการกาากกากนิกายมหาวจุลวัคมหาวธีมัสอังอังคุทานิกายคุตการนิกายนี่เป็นพะสูตรพอมาพระวินัยก็สังวิทาปุกะยะปะธรรมสังขีนีวิพังไปเรื่อยๆนะตังวิทาปุกะยาพิธามเจตคำพีนะรวมแล้ว8ปดหมสี่พันพระถ้กมายอ่อ <c oughs> นี่โดยสมมติ8ดมนสี่พันพระมคัน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 ก็ไม่เกิดจินตามย์ปัญญาเพราเกินจินตาเมย์ปัญญาแล้วก็เอาไปลองทําดูนะพอลองทําเกิดความเข้าใจถูกต้องอเกิดความาเห็นที่ถูกต้องเกิดความคิดที่ถูกต้องขึ้นมาก็เป็นภาวนาภาวนามนย์ปัญญานี่ยในภาคของอปริยัตทาให้เกิดปรมัติอย่างเนี้หากสมมติให้เกิดปรามัติลักษณะอย่างนี้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 อริยสัจเหมือแต่คนก็ลืมไปแล้วจนกว่ามีผู้พุทเจ้ามาตัดสั้องค์ใหม่มาพูดถึงอริยสัจใหม่ก็ถึงได้รู้เอาพระธรรมในฝ่ายที่เป็นปรมาัาทก็เกิดขึ้นใหม่นะแต่ในะเรื่องนี้จะซับซ้อนนิดหน่อยนะว่าในปรมัตทบัญญัติเนะี่ยในปรมาทเพูดถึงเรื่องของธาตุของขันธ์ของอายตนะแต่ปรมตทในส่วนที่เป็นสมมุติ ธรรมะในส่วนที่เป็นปรมัติในส่วนที่เป็นสมมุติก็พูดถึงเรื่องอพระสูตรแล ะ, ะพระวินัยและพระสูตรเพรอธรรมะได้พูดถึงเรื่องปรมัติเขาเรียกว่าพระอภิธรรมพูดถึงลาดถึงลาดถึงธาตุถึงขันวิปั ส, สนาภูมิต่างๆเนี่ยเอาธาตุเอ า, าขันขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วทีนี้นั้นเองเวลาเราปฏิบัติเราก็ทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเออเรามาทํา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 ธาตุน้ำธาตุไฟก็ด้เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงทำให้ธาตุทั้งสีมาสมผงกันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามกฎของอะไรตามกฎของใตรักนี่ก็เกิดอาการการทำงานในส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดต้องทำงานของภายใต้กฎใตรักษทั้งหมดเลยกฎไตรักคืออะไรก็คืออ น, นิจจงเปลี่ยนแปลงตลอดะเวลา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 ให้รู้จักการเปลี่ยนรู้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนการเปลี่ยนก็ปกติสบายการที่เขาไปรู้แล้วมันกลับมาสบายตามปกติตรงนี้เ็าเรียกว่าอันนี้จังเปลี่ยนเป็นศีลเข้าใจไหมแต่ถ้ากว่าเราเปลี่ยนไปด้วยความไม่รู้อันนี้จังมันเปลี่ยนมาอันนี้จังมาเป็่นเป็นราคะคืออยากจะให้มันสบายเปลี่ยนเป็นความชอบเราว่าโสมนัสเวทนา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 เัรงนั้นเองในส่วนนี้หลวงพ่อก็จะตอกย้ำไปทุกวันให้มันปฏิบัติได้แต่ในช่วงแรกนี้เรายัางไม่พร้อมเราก็ทำได้บ้างมาได้บ้างเราก็มาตอกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้าอีกในเรื่องเก่านั่นแหละแต่เอาม า, อามาแยกเป็นสมมุติหลายๆด้านเพื่อให้เข้าใจแจม่มแจ้งพอเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วก็มันก็จะเกิดเลยจากขงอุทาปาทิ